ด้วยการเริ่มต้นซื้อผลิตภัณฑ์โฟล์ไลฟ์ในราคาขายส่งแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ไปเพื่อทํากําไรจากการค้าปลีกการซื้อสินค้ามาแบบราคาขายส่งจะทําให้คุณได้สินค้าในราคาถูกแต่เมื่อคุณขายไปในราคาปกติหรือราคาข้างขวดคุณก็จะมีกําไรและยิ่งคุณขายได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีกําไรมากขึ้นเป็นเงาตามไป